ึการเป็นนักโทษโดนจองจำเป็นยังไงก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมายาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิคุครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่15แล้วสามเดือนกว่าแล้วนะที่เราได้มาพบกัน จากครั้งที่แล้วเนี่เสียงก็เป็นแบบนี้ครั้งนี้ก็ยังเสียงเป็นเหมือนเดิมนะโรคภัยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแหละท่านฟังยิ่งช่วงนี้ข้าฝุนละอองก็มากอยู่ใช่แล้วก็อากาศเดี๋ยวฝนเอยร้อนเอ้ยใครอยู่ในห้องแอร์เข้าห้องแอร์ก็หนาวเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนก็ต้องคอยรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีท่านฟัง เวลาที่เราป่วยไข้เนี่ยมันก็มีผลกับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าใครไม่เคยซ้อมไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติมาตุนไว้เนี่ยเวลาที่เราป่วยไข้หนักๆหรือเวลาที่เราโดนมรณะภัยคุกคามเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงแหละเวลาที่ป่วยไข้หนักๆจะเป็นจะตาย น่นอนแลว่าบางทีมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะสาหรับคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมีความคุ้นชินแล้วเนี่ยมันก็พอเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าใจิตใจเรามันก็มีความอัตโนมัติระดับหนึ่งที่ว่ามันจะไปในทางที่เราฝึกมาอย่างชำนาญในการที่ใจจะเป็นกุศลแล้วก็หลีดออกจากอากุศลและการที่เรามีป่วยไข้แล้วก็ หนักๆอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เนี่ยพอไปถามหรือประสบการณ์ที่เขาเล่าๆกันมาเนี่ยบางคนก็นึกถึงพ่อแม่บางคนก็นึกถึงลูกบางคนก็นึกถึงการงานที่เคยทําอย่างบางคน เ, นยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากเนี่ยภาพเหล่านั้นก็ลอยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการที่เราจะไปทุกขตินะท่านผู้ฟังยิ่งเห็น ไก่ที่เคยฆ่ากบที่เคยฆ่าอะไรอย่างเงี้ยน่มามันดึงเราไปทุกติแน่นอนในการที่เราคิดถึงพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้นะมันก็ดึงพาให้ใจเราเนี่ยไม่ได้ไปสุขติอาจจะยังไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรืออยู่ในภูมิไหนๆก็ยังเป็นเขาเรียกว่าสัมเวสีที่ยังไม่มีที่ไปก็อยู่ตามที่บ้านเดือน หรือว่าบางคนประสบอุบัติเหตุก็อยู่ตรงที่ประสบอุบัติเหตุนั่นแหละเพราะว่าจิตมันคล้องอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าใจเราฝึกมาอย่างดีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็จะไม่ได้ไปทุกติหรือไม่มีที่ไปเราก็จะไปมีสุคตินั่นแหละเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆหนึ่งเนือง มันก็นำพาชักจูงเป็นอำนาจเป็นแงรงผลักดันเป็นตัวส่งเสริมให้เรามีคติที่ดีมีอะไรบ้างมีมนุษย์มีเทวดามีพระบาโรคอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าบุคคลใดเนี่ยฝึกได้อย่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมเข้าถึงความรู้เข้าถึงวิ ช, ชาและอวิ ช, ชาลงได้จากใจ ก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกเวลาพูดถึงความทุกข์เนี่ยความทุกข์กายก็หมดลงตรงนี้ทุกใจที่เราเคยได้ฝึกซ้อมกันมาแล้วเนี่ยมีศักยภาพที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเนี่ยทุกใจมันไม่มีแล้วไงแต่มันก็ยังมีทุกกายอยู่ใช่ไหมแต่พอเราตายเนี่ยปุ๊บมันก็เข้าถึงสับตัวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพานก็คือ นิพพานแล้วก็ไม่ประกอบด้วยทัศนขันก็คือละจากอัตภาพอันนี้ด้วยพอพูดถึงป่วยไข้นี่ก็ไปซะยาวเลยทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของการมาไว้ว่าเวลาที่คนเราเนี่ยพิจารณาถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ประมาทมีการพิจารณาตามความเป็นจริง แล้วก็พิจรารณาถึงความสุขในการที่เรามีสิ่งของต่างๆที่เราพึงมีหาได้แล้วเราก็เก็บสะสมมีใจผูกติดยึดติดเอาไว้เหล่านี้เนี่ยถ้าเราพิจรารณาความตายเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นได้ว่าสิ่งที่เราสแสวงหาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองทรัพย์สินหรือมีความรักในพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเหล่ามู่ญาติมู่เพื่อนอย่างนี้พอตายไปแล้วเนี่ย เอาไปไม่ได้ติดตัวไปไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งพอเราเห็นถึงตรงนี้ที่ใจนะต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ความคิดนะเปลี่ยนจากที่มันเป็นความคิดเนี่ยให้มันลึกซึ้งลงไปอยู่ที่ที่ความรู้สึกในใจที่มันเรียกว่าเข้าไปในใจที่เรียกว่าเข้าใจนี่แหละท่านผู้ฟังพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยใจเราก็จะได้คลาย คลายความยึดติดคลายความยึดมั่นเพราะเราเห็นเห็นถึงความเป็นจริงอันนี้เห็นถึงความที่มันไม่มีสาระแท่งแท้แน่นอนเราก็จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปแต่ถ้าเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้อย่างที่ไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินมันก็มีคีย์อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ฟังก็คือไม่ประมาทไม่มัวเมา แต่คนที่ไม่ได้พิจารณาเนี่ยเขาก็จะมีความมัวเมาอยู่ในกามมีความเพลินอยู่ในกามมีความเพลินความสุขในกามทั้งหลายอยู่แต่ในมุมมองของนักธรรมะเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเกิดถามในบุคคลธรรมดาที่เขไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ตามที่เพิ่งเริ่มหรือยังไม่ได้ หากพิจารณาให้มันอย่างลึกซึ้งอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็ยังมองไม่เห็นโทษเห็นแต่ความสุขของกรรมแต่ยังมองไม่เห็นโทษมันอย่างลึกซึ้ง น, นะท่านฟังที่นี้ในการที่เราทำที่สุดแห่งทุกแล้วก็หลุดพ้นออกจากวัฏฏะไม่ต้องไปเกิดในภพไหนไหนอีกเนี่ยถ้าเรามองกลับกันแล้วอะไรล่ะที่มันจะเป็นตัวทำให้เรายังยึดติด อยู่ในพบเปลี่ยนไหวตายเกิดเหล่านี้อยู่หลักๆ ก, ก็คือความไม่รู้นะความไม่รู้ตามความเป็นจริงยังไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยอย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงว่าอะไรแน่ที่มันเป็นเชื้อของความเกิดอย่างจริงๆจังๆนะแล้วอันหนึ่งที่มันเป็นผลพวงจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเนี่ยก็คือ ไม่รู้เท่าทันกามด้วยท่านผู้ฟังและเวลาคนที่วินว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยมันก็วนอยู่ในสามที่นะกามโลกรูปโลกอรูปโลกซึ่งคนส่วนมากนี่ก็อยู่ในกามกามโลกนี่แหละก็คือโลกที่ยังอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้ไม่ว่าจะตายเกิดใต้เกิดยังไงก็ยังวนเวียนอยู่ในเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่คนที่ วนเวียนเวียนไหยตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้มีความยินดีมีความพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้มองเห็นโทษเท่าไหร่ในทำานองกลับกันกลับกลายเป็นว่าขว่คว้าหาที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาครอบครองบางครั้งก็ หาได้อย่างถูกต้องบางครั้งก็ได้มาอย่างไม่ถูกต้องก็มีซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ชี้เห็นว่ากามเนี่ยมันก็เป็นเครื่องผูกยึดเราให้เรายังต้องมาวนเวียนเวียนวนอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วการที่ถ้าเราเปรียบเทียบนะการที่เรายังไปไม่ได้ยังเวียนวนอยู่อย่างนี้เนี่ยวิธีคือถ้า เราต้องการจะออกแต่มันมีตัวหนึ่งที่มันทำไม่ให้เราออกคอยกักขังหน่วงเหนี่ยวเราไว้เนี่ยเราก็เหมือนจะเป็นนักโทษของมันอยู่ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่เหมือนนักโทษในเรือนจำหรอกทํานฟังที่เขาทรมานเราอยากกินก็ให้กินได้ไม่ดีอยากนอนก็ให้นอนไม่สบายอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องคอยทำแต่ในสิ่งที่เขา อยากจะให้ทำแบบนี้แบบนั้นอันนี้ก็นักโทษทั่วไปแต่การที่เราโดนลงโทษอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมชัดๆเลยรู้สึกได้เลยว่าเ อ, อนี้มันเป็นการลงโทษนะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยถ้าเรามีโอกาสอีกเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกกลัวในโทษที่เราได้รับแล้วเราก็จะไม่ทำมันอีกอันนี้ก็ไม่นับในเคสที่เขารู้สึกว่า กลับมาทำในแบบเดิมเดิมติดคุกแบบเดิมเดิมนะแต่ถ้าคนปกติธรรมดาเนี่ยติดแล้วเนี่ยโนทำโทษแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกหวาดกลัวที่เราจะไม่ทําซ้ําอีกซ้ำสองแต่การที่กามเนี่ยมันมีอํานาจและมันมีพลังในการที่ทําให้เราเนี่ยอ ย, อยู่อย่างนี้ทําในแบบเดิมเดิมซ้ําเดิมได้อีกไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่รู้นานเท่าไร่ต่อเท่าไร แล้วก็ไม่ได้รู้สึกไงว่าเราเหมือนนักโทษด้วยนะมันก็เนียนๆน่นะถ้านึกนึกถึงตัวอย่างที่มันพอจะเป็นไปได้เนี่ยกับในเคสของปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสามก๊กละมั้งถ้าฟังน่าจะเคยได้ดูอยู่บ้างสำหรับคนที่ไม่เคยได้ดูก็อาจจะชี้แจงให้เล็กน้อยก็เนื้อเรื่องตรงที่ส่วนกลัวนเนี่ย ก็อยากที่จะฆ่าเล่าปี่ใช่ไหมแต่ถ้าฆ่าก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่าน้องสาวกับเล่าปีเนะี่ยชอบพอกันทีนี้ถ้าเกิดฆ่าเล่าปีน้องสาวก็ไม่พอใจเพอะน้องสาวไม่พอใจแม่ก็ไม่สบายใจสุนกวนก็เป็นคนรักครอบครัวไงถ้าเกิดแม่ไม่สบายใจก็ดูจะเป็นลูกอักตันยูก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าเล่าปีเนะี่ยก็เป็นบุคคลที่ มีอานาจอยู่อีกฝั่งข้างๆคอยเป็นหอข้างแคร์แล้วก็มีใจที่จะตั้งตัวเป็นเจ้าแคว้นหรือตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองที่จะขยายอาณาเขตดินแดงไปเรื่อยๆทีนี้เขาทำยังไงเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรถ้อย่างนั้นให้แต่งงานกับน้องสาวเลยมาแต่งงานกับน้องสาวแล้วเนี่ยก็ปลูกวังให้อยู่สักอันนึง แล้วก็บนเปลือไปด้วยแก้วแหวนเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็ให้ของกินของใช้ค่าทาาบริวารอย่างเต็มที่อยากจะทำอะไรที่ม่มีความสุขอยากจะร้องรํามีละครอะไรเงี้ยจัดให้หมดเราปีนี้ก็สบายเลยทีนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขประหนึ่ง เหมือนพระราชาไปเลยทำไมสุนกวนถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเราปีเนี่ยก็เป็นคนย่างจนมาแต่เดิมแล้วก็ประโตมาเนี่ยก็เริ่มที่จะมาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองแล้วก็มาจับทหารสู้รบก็ไม่เคยได้อยู่แบบสบายๆ ส, สักเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยให้อยู่สบายอย่างเต็มที่เลย เพื่ออะไรเพื่อจะได้คลายความต้องการที่จะเป็นเจ้าแคว้นคลายความทะเยอทะยานในการที่จะเป็นเจ้าแคว้นลงไปเพราะว่าตัวเองก็มีความสุขอยู่แล้วนี่พอมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้องทําอะไรก็เพลินๆไปวันๆหนึ่นองอยากดูอยากดูละครอยากดูนางฟ้อนลำก็ดูไปอยากดื่มสุราก็ดื่มไปวันๆก็อยู่กับน้องสาวของสนกวนซึ่งเป็นที่รัก แล้วก็เป็นสาวแรกรุ่นด้วยก็ยิ่งทำให้เล่าปีนี่ติดตาติงใจเข้าไปอีกแล้วก็เหมือนเป็นการกักขังเล่าปีไว้ด้วยในตัวไม่ให้ออกไปไหนฉันได้ฉันนั้นไปฟังอันเนี้ยกามเนี่ยมันก็หลอกเราแบบนี้เหมือนกันแต่มันไม่ดูเป็นกิจจาลักษณะขนาดนี้แต่มันก็ทำให้เรามีความเพ่อเพลินยึด ต, ติดอยู่ในสมมติของโลกใบนี้ เพลิดเพลินไปในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเปลี่ยนเป็นคนศัตรูเนี่ยมันก็เป็นศัตรูแบบเสนอคอยตีสนิทเราแล้วก็แทงเราข้างหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราก็ไม่รู้สึกด้วยว่าเราโดนทำลายเราโดนบั่นทอนศักยภาพอะไรไปหลายๆอย่างนี่แหละท่านฟัง มันก็เนีนเนยนๆอย่างนี้แหละแล้วบางคนก็บอกว่าอืมมันไม่ดียังไงอ่ะมันก็ดีอ่ะมีกินมีใช้มันก็ดีแล้วยังไงเราก็ใช้ให้มันพอแก่สมฐานะของเราไปเพราะว่าเวลาที่เราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ก็จริงแต่ในเมื่อเวลาที่เรามีอยู่เราก็ใช้ให้มันเต็มที่สิทําไมละ่ะมันจะผิดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะท่านผู้ฟังกันที่เรามีแล้วเราจะใช้ในแบบที่เรา สมฐานะของเราอ่ะมันก็ไม่ผิดอะไรแต่อย่าลืมว่าความอิ่มในกามน่ยของคนเนี่ยมันไม่มีนะาฟังความอิ่มในกามอ่ะมันไม่มีมันมีแล้วมันเสพแล้วมันคลายความอยากลงไปได้แล้วเนี่ยแต่มันก็จะอยากในรูปแบบเดิมๆอีกแล้วต่อไปเนี่ยมันจะอยากให้มันประนีดมากขึ้นอยากให้มันมากขึ้นกว่าเดิมความอยากมันจะโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสนองกาม ด้วยกามอย่างนี้เนี่ยมันความอยากตรงนี้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทําให้สภาวะจิตใจของเราเนี่ยเป็นสภาวะจิตใจที่มันเราร้อนร้อนไปเรื่อยๆร้อนไปด้วยความอยากอยากแล้วได้แล้วพอได้แบบเดิมซ้ําๆก็เบื่อท่านฟังพอเบื่อแล้วเราก็ต้องไปดิ้นรนหาอะไรที่มันใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเสพที่เรายังไม่เคยได้ทีม่มันอาจจะประณี่กว่าเดิมอย่างบางคนเงี้ยมีคู่อยู่แล้วนะ ไม่พอใจคู่แหละคู่เริ่มแก่บ้างแหละหรือว่าขี้บ่นอย่างงี้ก็เลยไปหาคู่ใหม่ไงเห็นไหมความอยากของกามเนี่ยมันไม่ปราณีใครนะถ้าเราอยากในทางที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตมันเร่าร้อนแหละเพราะว่าการที่เรานอกใจคู่เราเนี่ยมันก็นําพาเรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายการที่เรามีคู่ที่ไม่ใช่คู่ วอดแค่นี้และก็ปวดหัวเหมือนยังข่าวที่ลงมาเมื่อไม่นานนี่แหละนะืน่งพริตตี้อะไรนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรามีความเพลินมีความมัวเมาในกามที่มันมากเกินความพอดีเนี่ยมันก็ทำให้เราดำเนินชีวิตในแบบที่มันสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อความเร่าร้อนข้างนอก ถ้าพอความเร่าร้อนข้างนอกความผิดพลาดอะไรต่างๆมันเข้ามาในชีวิตเรามันก็วุ่นวายแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมกามรู้จักควบคุมความอยากในกามของเราได้เนี่ยชีวิตเราก็จะไม่เร่าร้อนแบบนั้นแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีใจเนี่ยที่มันไม่เร่าร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะท่านฟังความอิ่มในกามมันไม่มีในเมื่อเรารู้ว่าความอิ่มในกามมันไม่มีอย่างนี้เนี่ยเราต้องทายังไง เราก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักหักห้ามรู้จักอดทนแล้วก็นอกจากตรงนี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือรู้จักที่พิจารณาให้เห็นโทษของกรมด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาให้เห็นโทษของกรมได้เนี่ยเราก็จะจาเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ใช่ไหมแต่เราจะไม่มัวเมาประมาทเพลิเพลินแล้วก็มีทักษะ ที่เราเห็นโทษของกามแล้วเนี่ยมันก็เป็นทักษะเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะไปสู่ความสุขอันใหม่ความสุขที่เราสงบระงับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้วันนี้ก็พูดมาพอสมควรแล้วเอวไว้คราวหน้าเราค่อยมาเพิ่มเติมมันอีกดีกว่าว่าโทษของกามมันยังไงบ้างที่มันละเอียดกว่านี้แล้วเรามีวิธีอะไรบ้างที่เราจะ บริหารจัดการชีวิตเราให้เราไม่ตนกามเนี่ยมันเป็นผู้คุมเป็นผู้ที่ผูกเรายึดเราเอาไว้ขังเร า, เาไว้อยู่ในวัตตะบน น, นี้แต่ก่อนที่จะจากกันก็อยากจะฝากให้คนใช้ธรรมะให้เพื่อนๆได้มาฟังด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็อยากจะย้ําเตือนเ่าฟังว่าฟังธรรมบ่อยๆ เป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยมีแก่ใจที่เราจะหลุดออกจากพัฒ น, นาการของกามด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วไว้คราวหน้าเจอกันใหม่จเจริญพร์